ผมขนาดนี้แล้ทยาวผูมาให้กลับเออกลับก็กลับอยู่นั่นไหวพัดเสร็จินไหวพัดเสร็จไหว พ, วพวัดเสร็จก็หายไปแหละก็พิจารณาดูไปเรื่อยไปเรื่อยแต่พิาไไจารณาไปเรื่อยเดินโมก็พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปพิจาราหลายวันต่อมาเป็นแปดเก้าวันสิบวันมามา่ก็เดินเดินไปนี่เด็ตนมันจบทัน ปัญญามันจะออกนะเดินไปดูกท่อนเนี้ยรอยเท้าเจ้าเราจะตบจะมีดูกท่อนนี้บางอยู่จนตลอดกลับไปกลับมาสามเที่ยวก็นำอันนั้นมาพิจารณานั่นไนะปูมันออกเลยนะยังไม่ได้พรรษานะอสุภะอสุ방เนี่ยเต็มีดูตัวเองเดี๋ยวก็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 กระดูกมาให้นับดูนะสามรอยท่อนนะทิมต่อกันอยู่จะเป็นตุนพิจวเนี่ยกระดูกสามรอยท่อนนับของตัวอย่างนับเพื่อตุนคอมาเนี้ก็มารวมถูกตัวนี้มันกับปุ่งหัวนี่มันก็จะมีอยู่เกดเสียงรนับข้อจีนข้อมือข้อเอ300ท้านับได้สามร้อยท่อน ทุกข์นี่การภาษาผู้ภาวนาเนคือการพาวนาของเราจริงๆนะเราใช้ปัญญาบุญชอบใช้ปัญญามากเมื่อเรารู้ว่าไอ้จิตของเรามาอยู่ในขั้นไหนจิตในสาคขั้นขั้นอิกะขั้นอุปจราระขั้นอัปปมานาจิตของเราอยู่ขั้นไหนก่อนเมื่อเรารู้ว่าจิตของเรามันอยู่ในขั้นอัปปมานาแล้ว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 นั่งภาวนากลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามตนี้อสะพานเงินทอดจากที่เราอยู่ไปถึง่นเขาเปทตรกูดเมืองยินเดียปเป็นเป็นงานสะพานเงินสะพานทองเพิ้นหมดอยู่ในสวรรค์สไนโก็เห็นหมดก็เลยดู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 พ่อแม่ครูาอาจาเทพไปไม่สักครู่นี่ก็ อ, อ, อวิชตรอาวิชชาอวิชชาก็คือความโง่อของพวกเราเนี่ยเองเลยตัวสฏิบัติเราแปลให้มันตรงๆแล้วคือความโง่ความที่ไม่รู้อยากจะปฏิบัติทําไงท่านดัดเจ้าตรียกว่าหความโง่ อ, อืมอวิชาวาออวชาคือความโง่ อ, อืพวกการมาลานค้าสัญหาไม่ใช่อวิชชาพวกนี้ก็เป็นเชื่อกันเกิดต่าหา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 กามของสัตว์โลกเราจะตัดออกจากหัวใจได้ก็คือความคำนึงถึงนั่นเองนั่นท่านเรียกว่ากรารของสัตว์พวกราคาความกำหนูนี้มันธรรมชาติของสัตว์ไม่ใช่กามกามแท้แท้ก็คือความคำนึงถึงจึงเรียกว่ากรารทีนี้เราปฏิบัติไปปฏิบัติมาเราปฏิบัติ เรื่องความคํานึงถึงเราถอดใจของตัวเองออกจากตัวนี้ได้ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงจกว่าจะได้ก็อาการอยู่นนั้นละได้หลายอย่างกว่าจะได้ละปริพโธท่าสองละบริโภคสองละมานะละอุทจะละกูกุจะนั่นแหละผู้ได้ละตรงนั้นได้ใกล้กันนิพานเลย อีกไม่กี่วันก็ถึงได้อนจารย์จะบวชหรือไม่บวชไม่เป็นไรขอใจละได้เป็นได้เหมือนกันถึงได้เหมือเนือนบางอย่างพราแม่ครูบาอาจารเชื่ไปก็ไม่อยากเชื่อก็ไม่ไม่นำมาปฏิบัตินะหวบางอย่างก็นํามาปฏิบัติของท่านอยู่คนยกให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่เนี่ย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 ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ของเราคือเขาเป็นอนัตตาว่างั้นเถอะไปกันถึงโน้นจนถึงเกศเกศสิทธิ์เป็นของเราไหมที่มันคิดโน้นคิดนี่คิดไปคิดมาอย่างนี้ที่ท่านว่าเกศเกศสิน่ะมันจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราเอาไปมาแหละเกดเกศก็ไม่ใช่ของเราอีก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 การสวัสดิ์มันก็หมดเกลียดกันเทศแน่กานปฏิบัติให้พากันปฏิบัติให้ตั้งใจปฏิบัติ <inte> ให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติอะไรเลยเราปฏิบัติเนี่ยการงานเราก็จะไม่ผิดพลาดทําอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดถ้าม<อ>ันมีสติเอาตัวสตินั่นแหละมากํากับนะแต่ปฏิบัติอะไรทำงานอะไรก็เอาสติมากํากับพอมันมีอยู่ในอริยเศษาสัตว์แล้วสติก็ได้มาจากมรรคเนี่ยมันมาจากมรรคแล้ว เรามากำกับเราตั้งภาว น, น า, วากับพุทโธพุทโธกับเอาสติแนบไว้ถ้าจะปล่อยวางให้มันชินไปเลยก็ได้เหมือนกันใน ก, การเก็บปวดไม่มีเราถ้าปล่อยวางได้ออย่างรังเทศเลยใจสัญญาสองประการที่พระอ น, นุนไปเทศให้ คิดรืมานนไปฟังให้ปล่อยวางคิริ่มนอมันก็ปล่อยวางไปตามเพราะคิีเรื่อมานอน์อาพาธหน่กสัญญาณนี่เขาเคยรู้มาสัญญาอืก mm hmm. ับนามมาสัญญาสองอย่างปล่อยวางสองตัวนี้พอฝึกอภาระอนุนเทศไปก็คิดเริ่มนอมันก็ปล่อยวางไปตามปล่อยวางไป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 ที่จะไปสู่พบหน้าคือมันจะสดใสทุกคนนะเท่ากับบั้นตัวเองเนี่ยใสงงใสไม่มีที่เปี่ยนสดใสอย่างนั้นตัวนั้นนหะตัวจะไปนิพพานตัวจะไปนรกตัวจะไปสวรรค์ก็ตัวเจตัวเดียวนั่นแหละเราถอดถอนออกจากตัวนั้นได้แล้วก็สว่างหมดน่ะ ตัวนั้นตัวเป็นตัวที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานได้ตัวพวกนั้นมันเป็นธรรมชาติของเขาแล้วกยากเขาแค่ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเพรเขาคิดจิตมันจะคิดตัว น, นั้นคิดตันี้ก็ให้เขาคิดไปคิดไปถึงเวลาเพราะหน้าที่การงานของเขามาอย่างนั้นเราก็ไม่ไปสนใจแหละเพราะหน้าที่การงานของเขาอย่างลูกของเราเนี่ยแข่งขา้าอะไรอยู่หูตาจมูกขเขาหน้าที่ของเขา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 ตแต่ละอย่างละอันถ้าพิจารณาดูแต่ละอย่างละอันเขามีหน้าที่ของเขาไปทานั้นล้วก็ปล่อยเขาไปแต่เพียงใจของเราอย่าไปสนใจขเขาแล้วเอาเราเอาใจของเราเนี่ยให้อยู่พอถ้าใจของเราอยู่หลงใจของเราดีแล้วถึงได้ด้วยกันทังนั้นสวรรนี้ผ่านไม่ต้องไปไห บางคนบางองค์บางรูกครูบาอาจารย์พระแม่ครูปีศาจนั้นก็ฟาดันอันนั้นจะถอดถอนอันนี้ได้อันนี้จะถอดถอนอนนันได้มันไม่มีถอดถอนเราจะทำลาของใจตัวเองนหละถ้าอยากจะกไปนิพพานจริงๆก็ใหทําใจอีกอย่างหนึ่งฮะให้อย่างพระพุทธเจ้าสอนได้เทศให้อีนั่นฟังเนะี่ย